hmm ช่วงนี้ทางวัดก็จัดให้มีการปฏิบัติธรรมอย่างเข้มข้นเปิดโอกาสให้ผู้ที่อยากจะปฏิบัติให้ต่อเนื่องนะได้ทำปฏิบัติกันอย่างจริงจัง มันก็มีสับเรียบนะในหมู่ผู้ปฏิบัติธรรมสายหลวงปเทียนว่าการเก็บอารมณ์เก็บอารมณ์นี่ความหมายง่ายๆคือเก็บใจนะให้มันอยู่กับเนื้อกับตัวอารมณ์ที่ว่านี่มันไม่ได้อารมณ์รักอารมณ์เกลียดอารมณ์ชอบพออะไร จะหมายถึงใจนี่แหละนะเก็บใจให้อยู่กับเนื้อกับตัวพอปกตินะคนเราก็ปล่อยใจนะออกตลอดเปิดเปิงเรียกว่าส่งจิตออกนอกและส่งไปแต่ละครั้งนะหรือปล่อยไปแต่ละครั้งเนี่ยมันก็ไปคว้าเอาความทุกขนะ์จากอดีตบ้าง ไปคว้าเอาความกังวลจากเรื่องราวในอนาคตที่ปรุงแต่งขึ้นมาบ้างเสร็จแล้วก็เอามาเล่นงานาตัวเร า, เาลองพิจารณาดูในแต่ละวันแต่ละวันเนี่ยใจที่ก็เพิ่มขึ้นก็เพิ่มลงเนี่ยมันเป็นเพราะอะไรนะส่วนใหญ่ก็เพราะว่า ปล่อยใจไหลไปอดีตบ้างลอยไปอนาคตบ้างหรือไม่ก็ส่งจิตออกไปจดจ่ออยู่กับสิ่งนอกตัวจะเป็นรูปจะเป็นเสียงจะเป็นรถนะผู้คนต่างๆก็แล้วแต่ อันนี้เราจิตเนี่ยไม่ได้กลับมาอยู่กับเนื้อกับตัวถ้าจิตจิตเร า, าอยู่กับเนื้อกับตัวเมื่อไหร่มันก็จะมีความรู้สึกตัวเกิดขึ้นความรู้สึกตัวนี่เป็นสิ่งสําคัญมากนะที่เราควรจะถนอมควรจะรักษาหรือควรจะเก็บเอาไว้เก็บอารมณ์ในความหมายนั่ก็คือเก็บความรู้สึกตัวเอาไว้ซึ่งมันก็เป็นอันเดียวกับเก็บใจให้อยู่กับเนือ ก, กับตัว ไม่ปล่อยให้มันเพ่นพลานหรือว่าทิ้งเรื่อราดเนะมื่อใจอยู่กับเนื้อกับตัวเกิดความสึกตัวขึ้นมานะจิตก็จะมีความโปร่งเ บ, า, บาเพราะว่าวางนะเรื่องอดีตวางเรื่องอนาคตแล้วก็ไม่จมอยู่กับอารมณ์ต่างๆ การที่ใจมันจะกลับมาอยู่กับกับตัวได้หรือการที่จะเก็บใจให้อยู่กั บ, กบตัวหรือเก็บความรู้สึกตัวให้ต่อเนื่องได้เนี่ยมันต้องอาศัยสติเพราะว่าสติจะช่วยทําให้เรารู้ทันเวลาเผลอไปเวลาใจลอยไปอดีตไหลไปนาคนเนี่ยก็มีแต่สตินะที่จะช่วยดึงจิต นะดึงใจกลับมาอยู่กับเนื้อกับตัวถ้าม่มีสติมก็คิดตนเลิศเปิดเปิงไปเรื่อยและยิ่งคิดก็ยิ่งทําให้สตินะอ่อนแรงไปเรื่อยๆหรือบางทีเรียกว่าสติแตกนะคนที่สติแตกนะมันไม่ชออยู่ดีๆจะแตกนะมันก็เพราะว่าจิตใจหมกมุ่นอยู่กับเรื่องที่ทําให้โกรธทําให้เกลียดทําให้ เขื่องแคน้นคิดวนไปเวียนมาเนี่ยจนเกิดอาการคลุ้มคลั่งก็ได้สติแตกคุมอารมณ์ไม่อยู่พูดจาด่าว่าออกไปใช้ถ้อยคํารุนแรงหยาบคายหรือว่าทําลายเข้าของอต่อยตีทําร้ายผู้อื่น อันนี้เรียกว่าคลุมครั่งสติแตกนะก็เพราะว่ามันจมอยู่ในอารมณ์จมอยู่ในความคิดเนี่ยไม่รู้เนือ้อรู้ตัวแล้วตอนนั้นเรียกว่าลืมตัวในชีวิตเราเนี่ยแต่ตละวันเนี่ยเราลืมอะไรหลายต่อหลายอย่าง ลืมข้าวลืมของลืมกระเป๋าลืมกุญแจอันนี้ก็เป็นเรื่องธรรมดาแต่มันไม่แย่เท่ากับลืมตัวนะการลืมตัวคือไม่มีสตินั่นแหละแต่ถ้าเกิดว่าสติเราไวใจมันก็จะไม่ลอยไปอดีตไม่ไหลไปอนาคตไม่ไปจดจ้องจดจออยู่กับสิ่งนอกตัว เช่นผู้คนนะภาพที่ดูน่าเกลียดน่ากลัวหรือว่าไม่ถูก อ, อกถูกใจสติมาช่วยทำให้จิตเนี่ยกลับมาอยู่กับเนื้อกับตัวแล้วเกิดความรู้สึกตัวขึ้นมาในการมาปฏิบัติที่นี่นะเราก็มีวิธีการที่ช่วยทำให้สตินะเติบโต รวดเร็วก็คือการใช้เรียบทยกมือสร้างจังหวะเดินจงกรมซึ่งอันนี้ก็อาศัยหลักสติปัฏฐานสี่สิ่งที่ทำเนี่ยนะมันอิงอยู่กับหลักสติปัฏฐานสี่อย่างที่เราได้สวดมาสักครู่สติปัฏฐานก็มีสี่วิธีการสี่ขั้นตอนสี่สี่ด้าน อันแรกก็คือนะกายานุปัสสนานะที่บางทีก็แปลว่าพิจารณาเห็นกายหรือว่าพิจารณากายในกายอยู่เป็นประจำหรือว่าจะพูดง่ายๆสั้นๆคือตามดูรู้กายอันะที่สองคือตามดูรู้เวทนาที่3าคือตามดูรู้จิต อันที่สี่ก็คือตามดูรู้ธรการทำในที่นี้ไม่ใช่ทำ ม, มารมอย่างเดียวนะมามันหมายถึงการที่เห็นองค์ธรรมต่างๆเช่นพิจารณาจนเข้าใจเรื่องขันท่านิวรท่าอริยสัจสี่อายตนะสิบสองโพชฌงเจ็ดเป็นต้น คือมองเวลาเห็นทำเห็นสิ่งต่างๆเกิดขึ้นเนี่ยก็สามารถเทียมมองออกมา เ, เป็นหมวดเป็นหมู่แล้วก็เข้าใจนะแต่นี่ก็เป็นเรื่องที่ต้องอาศัยนะการปฏิบัติที่พัฒนานสักหน่อยเนี่ยแต่ใหม่ๆเราก็เริ่มต้นที่ 2อ อ, อย่างเท่านั้นแหละก็คือว่าตามดูรู้กายนะกับการตามดูรู้จิตเริ่มต้นด้วยให้รู้กายก่อนรู้กายก็คือว่ารู้อาการของกายเมื่อมันทำอะไรยืนเดินนั่งนอนก็รู้ว่ายืนรู้ว่าเดินรู้ว่านั่งรู้ว่านอนรวมทั้งการทงความรู้สึกตัวในเวลา ทำกิจต่างๆอย่างที่เมื่อกี้เราได้สวดได้พันได้สาธยายนะทำความรู้สึกตัวเวลาก้าวไปข้างหน้าหรือว่าถอยหลังเวลามองเวลาเหลียวเวลาคู่ขาเหยียดขานะคู่เข้าเหยียดออกนะไม่ว่าจะเป็นมือไม่ว่าจะเป็นขาแขน เวลาอ่าผาจีวรผ้าสังขารติครองจีวรสะพายบาดสําหรับญาติโยมก็เวลาสวมเสื้อสวมกางเกงนุ่งผ้าก็ทําความรู้สึกตัวทำความรู้สึกตัวแม้กระทั่งเวลากินดื่มเคี้ยวลิ้มนะเวลาอุจจาระปัสสาวะก็รู้สึกตัวนะทําความรู้สึกตัว ในเวลายืนเดินนั่งหลับตื่นพูดนิ่งนะระหว่างพูดนะระหว่างนอนถ้าเรามีความรู้สึกตัวนี่ก็ถือว่าปฏิบัตินะไม่ใช่ว่าไม่พูดเนี่ยถึงจะเป็นการปฏิบัติไม่ใช่ว่างเงียบปิดปากถึง้ะเป็นการปฏิบัติทันะ้งเงียบแต่ว่าใจลอยปล่อยใจไปสเปสปะนี่ก็เรียกว่าไม่ปฏิบัติ แต่แม้จะพูดแต่ว่าพูดด้วยความรู้สึกตัวรู้ว่าอะไรควรพูดอะไรไม่ควรพูดแล้วก็ไม่ได้พูดด้วยความเมามันนะเรียกว่าพูดเมาพูดมันจนน้าลายแตกฟองอันนี้ก็เรียกว่าไม่มีสติไม่มีความรู้สึกตัวในการปฏิบัตินะของพวกเราเนี่ยเราก็อาศัยในะการเดินจงกรมการสร้างจังหวะ น, นี้เป็นเป็น วิธีการหลักเป็นวิธีการหลักเมื่อยกมือก็ให้รู้สึกตัวคือรู้ว่ามือกาลังเคลื่อนไหวแม้จะหลับตาก็รู้ว่ามือกำลังเคลื่อ น, แ ต, กกออนแต่ว่าการสร้างจังหวะของเราเราเปิดตาเพื่อไม่ให้ติดอยู่ความสงบเพราะว่าพอปิดตาแล้วเนี่ยใจยมันก็จะ สงบได้ง่ายเพราะว่าไม่รับรู้อะไรและพอติดสงบแล้วเนี่ยมันก็ไม่รู้สึกตัวได้นะเพลินกับความสงบดื่มดำกับความสงบนะอันนี้ก็เรียกว่าขาดสติได้เหมือนกันคือสงบก็รู้ว่าสงบนะไม่สงบก็รู้ว่าไม่สงบไม่ใช่สงบแล้วก็ลืมตัวดื่มดำโยความสงบ เพลินนะเคยั้มเวลาใจมันสงบเนี่ยนะพอมีเสียงโทรศัพท์ดังมีเสียงฟ้าผ่าหรือมีข้าวของตกลงมาจากโต๊ะเราตกใจเนะี่ยอันนี้เรียกว่าสงบแบบไม่รู้ตัวสงบแบบไม่มีสตินะหรือเรียกอย่างนั้นคือมีสมาธิแต่ไม่มีสติกนะ็ได้เพราะถ้ามีสติมันไม่ตกใจนะ จะมีเสียงโทรศัพท์ดังเสียงผู้คุณเก ว, วกวักวกเวกววยวายเสียงฟ้าร้องฟ้าผ่าก็ไม่สะดุ้งอันนี้เรียกว่ามีสติในเวลายกมือเนี่ยก็ให้รู้นะให้รู้ว่ามือกำลังยกแต่ไม่ใช่เอาจิตเนี่ยไปเพ่งอยู่ที่มืออยากจะรู้ชัดๆก็เลยเอามือไปเพ่งที่เอาก็เลยเอาใจไปเพ่งที่มือ ถ้าทำนี้เนี่ยความรู้สึกตัวทั่วพร้อมมันก็เกิดขึ้นไม่ได้นะพอไปจดจ่ออยู่ที่เฉพาะจุดของร่างกายให้เวลาเราทำความรู้สึกตัวเมื่อกินดื่มเคล้่อนลิ้มเมื่อเดินไปข้างหน้าถอยไปข้างหลังเมื่อมองหรือเหลียวเนะมื่อคูเข้าเย็ดออกเนี่ยครูอจ้าไม่ได้บอกให้ไปเพ่งนะที่ส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกายนะจะให้รู้ตัว ไปทั่วๆรู้ตัวทั่วพร้อมคือรู้ทั้งตัวนะแต่ว่ามันจะรู้สึกชัดก็ตรงที่มือซึ่งกำลังเคลื่อนหรือว่าเท้าที่กำลังเดินถ้าเป็นการเดินจงกรมแต่ว่ามันก็ยังเป็นความรับรู้ทั้งตัวอยู่จึงเรียกว่ารู้ตัวทั่วพร้อมแต่บางคนเนี่ยกลัวใจมันจะลอย ก็ว่าใจจะฟุ้งไม่อยากให้จิตนั้นฟุ้งซ่านก็เลยพยายามบังคับจิตบังคับจิตให้ไปเพ่งนะที่มือให้ไปเพ่งที่เท้าอันนี้ก็มันก็ได้ผลนะก็คือว่าจิตเนี่ยมันถูกบังคับให้อยู่กับที่มันก็ฟุ้งซ่านน้อยลงแต่ว่าคนที่ทํางนี้ก็จะรู้สึกเหนื่อย รู้สึกเหนื่อยเพราะว่าจิตมันพยายามต่อสู้เหมือนเราพยายามที่จะบังคับให้ลิงมันอยู่กับที่นิ่งๆหรือบังคับให้หมาที่กำลังยังหนุบยังแน่นเนี่ยยังขนองเนี่ยให้มันอยู่กับที่มันก็จะสู้มันก็จะพยายามที่จะขัดขืนก็ทำให้เราเหนื่อยคนที่พยายามบังคับจิตให้มันอยู่กับกาย ไม่ว่าจะให้จดจ่ออยู่กับมือที่กำลังยกหรือเท้าที่กำลังเดินถ้าทำไปก็จะเครียดแล้วก็จะมีอาการอื่นๆตามมาเช่นแน่นหน้าอกปวดหัวนะอันนี้เพราะอะไรเพราะว่าจิตเนี่ยนะมันถูกบังคับ เวลาใจลอยก็ไปบังคับจิตหรือว่าไปห้ามความคิดเวลาเราไปพยายามห้ามความคิดเนี่ยเราก็จะกลั้นลมหายใจโดยไม่รู้ตัวและส่วนใหญ่ไม่สังเกตนะเวลาไปไปเบรกไปห้ามความคิดเนี่ยมันจะกั้นลมหายใจแล้วทํำ บ, บ่อยๆเนี่ยทําทั้งวันเนี่ยก็จะรู้สึกหน้า ม, มืดวิึงเวียน เคยสังเกตไหมเวลาเราสนเข็มอ่ะเวลาเราสนเข็มเนี่ยเราจะเราจะกั้นลมหายใจมันเป็นไปโดยอัตโนมัตินะให้ลมหายใจเราก็จะกลั้นเหมือนกั น, นเวลาเราพยายามไปเพ่งหรือไปห้ามความคิดพอไปห้ามความคิดคําก็กั้นลมหายใจแล้วกลั้นบ่อยๆกั้นทั้งวันเนี่ยนะก็จะเริ่มหน้ามืดวิงเวียนปวดหัวแน่นหน้าอก ใครที่มีกายานี่ก็ให้รู้ว่าวางจิตวางใจผิดแล้วก็เลยทำให้ทำผิดนะหลวงปเจียนนัานก็สอนอยู่นะเสมอนะกับคนที่มาปฏิบัติใหม่ๆว่าให้ทำเล่นๆทาเล่นๆแต่ทำจริงๆนะทำเล่นๆคือว่าอย่าไปตั้งอกตั้งใจพยายามเอาชนะตัวความคิดฟุ้งซ่าน คนที่มาปฏิบัติใหม่ก็จะพยายามเอาชนะมันจะเอาให้ได้จะเอาให้ได้ ห, ไดหรือไม่ก็ตั้งจิตว่าเนี่ยฉันอยากจะสงบจะเอาสงบให้ได้แต่จิตมันก็ตามนิสัยความเคยชินของมันมันก็กระโดดไปกระโดดมาหาเรื่องคิดเพราะความคิดเนี่ยเป็นอาหารของมันให้สังเกตดูดีนะความคิดเนี่ยเป็นอาหารของจิตนะ โดอเพราะจิตที่จะไม่ได้แลกการฝึกฝนเนี่ยมันจะหาเรื่องคิดตลอดเวลาเพราะว่ามันมันเป็นนะความคิดเป็นหางของมันหรือผู้ยันคือมันเสพติดความคิดจิตนี่มันเสพติดความคิดนะร่างกายอาจจะติดบุหรี่อาจจะติดเหล้าอาจจะติดน้ำอารมณ์นะหรือผงชูรสนะ แต่จิตคนส่วนใหญ่มันติดความคิดมันต้องมีเรื่องคิดนะมันต้องหาเรื่องคิดแล้วคนที่ไปใหม่ๆเนี่ยพอจิตมันหาเรื่องคิดเนี่ยก็จะไม่ชอบก็จะลาคาญก็จะพยายามห้ามความคิดเพื่อให้จิตสงบถ้าทําเล่นๆเนี่ยหมายความว่าเออจิตมันจะฟุ้งก็ช่างมันนะมันจะฟุ้ง มันจะคิดไม่ดีคิดล้ายคิดชั่วก็ช่างมันแต่ว่าไม่ท้ะไม่เลิกยังทำไปเรื่อยๆแต่ขณะเดียวกันก็ไม่ใช่หาเรื่องคิดนะไม่ใช่หาเรื่องคิดคิดโน่นคิดนี่ก็ไม่ใช่ปล่อยใจลอยคิดโน่นคิดนี่ก็ไม่ถูกไปห้ามความคิดหรือไปเพ่งจิตเพื่อมันจะหยุดคิดก็ไม่ใช่ อันนี้เป็นทางสุดโต่งสองทางให้การเจริญสติเนี่ยการสร้างความรู้สึกตัวเนี่ยมันเป็นการเรียนรู้ที่จะอยู่บนทางสายกลางไม่เบี่ยงไปอย่างความสุดโต่งสองทางสุดโต่งนี่มันไม่ใช่แค่มีการสุขาิการนิยคหรือว่าอต ก, กิลมะทาม น, นิโยโคเท่านั้นนะอันนั้นมันเป็นสุดโต่งอย่างหยาบนะสุดโต่งอย่างละเอยีอยดก็คือว่า ปล่อยใจลอยเผลอหรือไม่ก็เพ่งไปบังคับจิตคิดจะเอาชนะมันให้ได้อารู้นไม่ไหวจิตที่คิดจะเอาชนะเนี่ยมันก็คือตัวกิเลสตัวหนึ่งนะนะมันครองจิตครองใจยังไม่รู้เลยต้องรู้ทันนะจิตที่มันคิดจะเอาจิตที่มันจะคิดอะจะชนะให้ได้เนี่ย เพราะว่าการเจริญสติเนี่ยถึงแม้ว่าเราเริ่มต้นด้วยการรู้กายแต่ว่าขั้นต่อมาคือให้รู้ใจรู้ใจนี่คือว่ารู้ความคิดนึกรู้ทันความคิดนึกรู้ทันอารมณ์ที่เกิดขึ้นเวลามันคิดจะเอาชนะหรือว่าคิดจะเอาความสงบให้ได้เนี่ ย, น, ยนะอันนี้ก็เป็นกิเลสอย่างหนึ่งนะแล้วมันก็ทำให้เราเนี่ยเกรง ทำให้เราปฏิบัติด้วยอาการหน้าดำขาเคร่งในการปฏิบัติต้องทำด้วยใจที่ผ่อนคลายนะคนที่เก็บอรมณเนี่ยนะทาไปทาไปเนี่ยจิตมันจะเริ่มนะจิตมันจะเริ่มมีความคิดที่จะเอาชนะให้ได้แล้วก็จะทำด้วยอาการหน้าดำขาเคร่งนะปฏิบัติเข้มข้นเนี่ยมันไม่ได้แปลว่าจะต้องทำด้วยหน้าดำขาเคร่งนะ ต้องทำด้วยใจที่ผ่อนคลายตอนที่ไม่ปฏิบัติเนี่ยก็ปล่อยใจลอยเรียกว่าลิงโลดแต่อันนั้นก็เป็นสุดตรงอย่างหนึง่งแต่พอมาปฏิบัติก็ต้องระวังมันจะไปสุดตรงไปอีกทางก็คือว่าค่ำเคร่งทำด้วยความเครียดอันนั้นก็ไม่ใช่ นะต้องให้รู้จักต้องให้รู้จักทาด้วยการที่ผ่อนคลายเวลามันขําเคร่งขําเครียดหรือว่าซีเรียสเนี่ยนะต้องขยันนะขยันรู้ว่านิใจเ ล, ลากลังเะเป็นอย่างนี้แล้วเวลามันลิงโลดดีใจก็รู้เวลามันหงุดหงิดหน้าดำข้าเคร่งเครียดก็รู้ ไม่ใช่สร้างจังหวะทั้งวันแต่ว่าไม่รู้ทันใจที่กําลังเครียดใจที่กำลังหงุดหงิดอันนี้เรียกว่าไม่ได้ปฏิบัตินะหรือว่าเรียกว่ายกมือฟรีๆนะจะไปติดที่รูปแบบนะหลายคนไปเรียนปฏิบัติไปก็ติดที่รูปแบบคือก็จะยกมือก็จะสร้างจังหวะแต่ว่าไม่ได้เข้าใจาจุดมุ่งหมายว่าในการยกมือ สร้างจังหวะการเดินจงกรมเนี่ยมันเป็นมันเป็นวิธีการหรือเป็นอ่บายที่จะฝึกให้เรารู้ทันรู้กายเมื่อเคลื่อนไหวแล้วก็รู้ใจเมื่อคิดนึกนะถึงแม้ไม่ยกมือสร้างจังหวะไม่เดินจงกรมแต่ทำอะไรก็รู้กายอันนี้ก็เรียกปฏิบัตินะ ตื่นเช้าขึ้นมาล้างหน้าแปรงฟันเก็บที่นอนนะก็ทำด้วยความรู้ตัวการปฏิบัติมีหลัก ง, ง่ายๆว่าตัวอยู่ไหนใจอยู่นั่นนะตัวทำอะไรใจก็รับรูนะ้เมื่อกายกำลังเก็บที่นอนหรือเอามือลูบหน้าล้างหน้าอาบน้ำก็รู้นะ น้ำสัมผัสใบหน้าเกิดความรู้สึกเย็นสบายเกิดสุขเวทนาก็รู้รู้แต่ไม่ยึดนะรู้แต่ว่าก็ไม่ใช่ปล่อยใจลอยเช่นอาบน้ำานี่มันสดชื่นก็รู้ว่าสดชื่นนะก็ไม่ได้ดื่มดำกับความสดชื่นแต่ในกณะในการปล่อยใจลอยไปคิดเรื่องอื่นเลยไม่รู้ไม่สัมผัสถ่งความสดชื่นขณะอาบน้ำอันนั้นก็ไม่ใช่ ทำอะไรนะใจก็รับรู้นะอันนี้หมายถึงว่าเมื่อกายทำอะไรนะส่วนใจเวลามาเผลอคิดนึกไปนะก็รู้ทันแล้วก็รู้รู้ทันอารมณ์ที่เกิดขึ้นจากการคิดนึกด้วยอารมณ์กับความคิดนี่มันสืบสืบเนื่องสัมพันธ์กันนะ คิดถึงสัตว์ร้ายคิดถึงผีก็กลัวนะคิดถึงคนที่เราไม่ชอบก็เกิดความขุนเคืองนะไอความไม่คนที่การคิดถึงคนที่ไม่ชอบนี่ก็เป็นเรื่องความคิดแต่พอเกิดความขุนเคืองขึ้ น, นมานั่นคืออารมณ์และพอขุนเคืองใครก็จะคิดถึงคนนั้นซ้ำซากซ้ำซากหรือพอ พอนึกถึงผีแล้วกลัวนึกถึงสัตว์ร้ายกลัวพอความกลัวทําให้ยิ่งคิดถึงสิ่งนั้นเข้าไปใหญ่อันนี้ก็มีสติรู้ทันนะพอทำไมรู้ทันเนี่ยมันก็จะลืมตัวจิตก็จะจมอยู่ในอารมณ์แล้วก็อยู่ในในในปลักแห่งความคิด คิดซ้ําคิดซากเสร็จแล้วกเกิดอะไรขึ้นเกิดความทุกขนะ์อันนี้เราไปอยู่กับปัจจุบันแล้วนะอันนี้ก็เรียกว่าส่งจิตออกนอกแบบหนึ่งเหมือนกันโซเจีย อ, อนอกก็ไม่ได้ไหมายความเพียงแค่ว่าใจมันไปอยู่กับรูปรสกลิกก่นเสียงสัมผัสนะแต่ยังรวมไปถึงว่าการที่จิตมันจมเข้าไปในอารมณ์ ถ้าภาวะอย่างนั้นเกิดขึ้นเนี่ยก็เรียกว่าเข้าไปอยู่แล้วหรือหลงเข้าไปแล้วหลวงพ่อเขียนท่านย้ำนะว่าไอด้ดูอย่าเข้าไปอยู่เห็นอย่าเข้าไปเป็นนเวลาเข้าไปในอารมณ์เนี่ยมันก็จะกลายเป็นผู้โกรธบ้างผู้เกลียดบ้างนะผู้เศร้าบ้างนะอันนี้เพราะไม่เห็นอันนี้เราเข้าไปอยู่ ไม่รู้จักดูในการเจริญสติมันก็รวมไปถึงการรู้ทันความคิดแล้วก็ออกมาจากความคิดรู้ทันอารมณ์แล้วออกมาจากอารมณ์นั้นเห็นเมื่อไรที่เห็นสิ่งที่ถูกเห็นมันก็เป็นธรรมะเลยนะไม่ว่าสิ่งนั้นจะเป็นความคิดหรือความโกรธอารมณ์เศร้ามันกลายเป็นธรรมะทันทีเมื่อเราเห็นมันเพราะว่า มันจะแสดงสัจธรรมให้เราเห็นนะเช่นอนิจจังทุกทังอนัตตาหลวงพ่อชานิท่านบอกว่าเนี่ยผู้ที่มีสติอยู่เสมอเนี่ยผู้ใดมีสติอยู่เสมอพูดนั้นเนี่ยฟังธรรมะของผู้เจ้าตลอดเวลาผู้ใดมีสติตลอดเวลาเนี่ยพูดนั้นเนี่ยฟังธรรมะของผู้เจ้าตลอดเวลาเพราะว่าเมื่อตาเห็นรูป ก็เป็นธรรมะหูได้ยินเสียงก็เป็นธรรมะจมูกได้เกลิ่นก็เป็นธรรมะลิ้นได้รับรสก็เป็นธรรมะนะกายสัมผัสกับสิ่งใดก็เป็นธรรมะนะถ้ามีสตนะิก็จะเห็นก็จะได้ยินหรือว่าได้ฟังธรรมะอยู่ตลอดเวลาเพราะว่าเมื่อเมื่อเห็นนะ เมื่อมีสติเห็นเนี่ยนะก็จะธรรมะเห็นคือความเกิดความดับของมันก็ปรากฏนะแก่จิตใจมีสติเห็นเมื่อไหร่นะก็ไม่ใช่แค่เห็นอารมณ์นั้นเท่านั้นแต่ยังเห็นความเกิดความดับของมันด้วยนี่เป็นเป็นเรื่องที่นักปฏิบัติต้องเข้าใจนะไม่งั้นเนี่ยก็จะไปติดอยู่ที่รูปแบบนะเก็บนะ จะปฏิบัติธรรมเข้มข้นก็คิดแต่แต่ว่าเออจะยกมือสร้างจังหวะจะเดินจงกรมนะทั้งวันซึ่งก็ดีนะถ้าทำได้แต่ว่าบางครั้งเวลาเวลาเวลาจะพักเวลาจะหยุดเวลาจะาทำกิจอื่นก็จะไปคิดว่ามันเป็นอุปสรรคขัดขวางการปฏิบัติเช่นอาจะต้องไปหิ้วน้ำนะหรือว่า ทำความสะอาดพื้นซักจีวรตอนนั้นไม่ได้ยกมือสร้างจังหวะแล้วตอนนั้นไม่ได้เดินจงกรมแล้วแต่ว่าไอ้ทำสิ่งเหล่านั้นก็เป็นการปฏิบัตินะเวลาจีวรขาดก็วางนะงานอื่นหยุดเดินจงกรมหยุดการสร้างจังหวะมาเย็บจีวรก็เป็นการปฏิบัติ นนต้องเข้าใจนะว่าการปฏิบัติเนี่ยมั น, มนทําได้ทุกเวลาทําได้กับทุกอย่างนะเมื่อตายให้รู้ผู้เดินเสียงก็เป็นการปฏิบัติได้ถ้ามีสติดูไม่เข้าไปอยู่เห็นไม่เข้าไปเป็นเวลาทําอะไรก็ทําด้วยความสึกตัวนะรู้ทันความคิดและอารมณ์ขณะที่ทําสิ่งนั้นแล้วก็วางมันได้ กลับมาอยู่กับปัจจุบันอยู่กับงานที่ทําอันนี้ก็เป็นการปฏิบัติเป็นการทําความรู้สึกตัว เ, เก็บอารมณ์มันก็ต้องมีมีมีอิรลียบทหรือมีช่วงขณะในการทํากิจต่างๆที่ไม่ใช่การเดินจงกรมการสร้างจังหวะหรือการปฏิบัติในรูปแบบก็จะไปคิดว่ามันเป็นเรื่องที่ขัดขวางรบ ก, กวนการปฏิบัติมันเป็นการปฏิบัติในตัวอยู่แล้ว สมัยที่หลวงพ่อชาท่านยังเป็นพระหนุ่มเนี่ยท่านไปไปอยู่ไปปฏิบัติกับหลวงปู่กินดรีนะซึ่งเป็นลูกศิษย์หลวงปู่มั่นแล้วก็ลูกศิษย์ของหลวงปู่สิงห์ท่านก็ทําความเพียรเต็มที่เลยเดินจงกรมนะนั่งทําสมาธิทางจงกรมนี่เป็นร่องเป็นรอยท่านไม่หยุดเลยนะ จีวรเนี่ยข้าท่านยังไม่ไม่อยากจะซ่อมไม่อยากจะเย็บเลยเพราะว่ามันจะรบกวนการปฏิบัติแต่สุดท้าท่านก็ต้องหยุดนะเพื่อที่จะมาปะชุนจีวรให้ตอนที่ปะชุนจีวรท่านก็รีบทำรีบทำหลวงปู่กินีเดท่านสังเกตก็เลยถามว่าท่านชาท่านจะรีบร้อน ป, ะ ช, ปะชุนจีวรไปไปทำไม หลวงพ่อชาตอนนั้นยังหนุม่มอยู่ท่านก็บอกว่าก็จะไปทำมันนั้นครับแล้วทำมันนั้นเสร็จแล้วจะไปทําอะไรต่อก็ไปทําำมโน้นครับแล้วทำมันนั้นเสร็จจะทําแล้วก็จะกลับรียบกลับไปภาวนาครับหลวงพราชาเออหลวงปู่กินรี้ยงท่านก็เลยบอกว่าท่านเย็บผ้าผืนนี้ท่านก็ภาวนาได้จะเรียบร้อนไปทําไมนะทำให้เสียหายเปล่า ระหว่างที่เย็บผ้าเนี่ยก็ดูจิตของตัวเองไปและแก้ไขถูกต้องนี่ความอยากมันท่วมหัวแล้วก็ยังไม่รู้เรื่องของตัน อ, อีกหรือความอยากความอยากจะกลับไปภาวานาอยากจะกลับไปเดินจงกรมะนะไม่ได้รู้ว่าการเย็บผ้าก็เป็นการภาวานาได้ก็คือระหว่างที่เย็บผ้าก็รู้สึกตัวไปถ้าจจมันเผลอคิดก็รู้หรือว่าถ้าใจมันอยากจะรีบให้เสร็จเร็วๆก็รู้ ท่านลูกูกินเนรีบอร์เนี่ยความยาวมันท่วมหัวแล้วท่านยังไม่รู้เรื่องของตนอีกการเย็บจีวรหรือการทำกิจอะไรก็ตามเนี่ยมันก็เป็นภาวนาอันนี้ผู้ที่เก็บอารมณ์ผู้ปฏิบัติธรรมเข้มข้นก็ต้องเข้าใจอันนี้ด้วยจะได้ไม่รู้สึกว่าจะต้องทำแต่รูปแบบเท่านั้น แล้วก็ต้องรู้จักนะรู้จักทำจิตทําใจใผ่อนคลายเพราะเวลาทําไปทําไปในจิตมันจะเพ่งเข้าในไปเรื่อยๆจิตมันจะความคิดที่จะเอาชนะมันจะสะสมขึ้นสะสมมากขึ้นเรื่อยๆมันจะพยายามไม่ให้จิตคิดฟุ้งซ่านเลยแล้วก็จะเริ่มคอยจับจ้องดูความคิดความคิดมันมาเมื่อไหร่ก็จะตะปบหรือว่าจะเบรก จะกระทึมมันพอถ้าถึงจุดนี้เมื่อไหร่เนี่ยก็จะทำด้วยความเครียดแล้วก็จะหน้าดำคำเครียดแล้วก็จะเริ่มมีอาการนะปวดหัวแน่นหน้าอกอันนี้ก็ให้รู้ว่าเนี่ยเป็นเพราะวางใจผิดทำเล่นๆแต่ทำจริงๆนะทำจริ ง, รงหมายความว่าตื่นตั้งแต่เชา้าก็รู้สึกตัวมันอไรก็ทำเลยนะ จนกระทั่งไปถึงเวลาเข้านอนเวลานอนก็นอนอย่างมีสติมีความรู้สึกตัวถ้าเกิดวันไหนจิตมันตื่นนอนไม่ค่อยห ล, ลับก็ไม่หลับก็ไนมะ่หลับยิ่งอยากให้มันหลับนะมันยิ่งไม่หลับนะจิตเนี่ยยิ่งอยากให้หลับเนี่ยยิ่งไม่หลับยิ่งอยากให้สงบมันยิ่งไม่สงบนะไอ้พอ พอลืมความอยากให้จิตหลับมันก็หลับเองพอลืมความอยากให้จิตสงบมันก็สงบของมันเองนั้นต้องรู้ทันนะจิตนี่มันแปลกนะยิ่งอยากได้อะไรเนี่ยนะมันยิ่งไม่ได้อยากได้ความสงบก็ยิ่งไม่ได้อยากได้ความรู้สึกตัวก็ยิ่งไม่ได้นะถ้าเพราะว่าตอนที่จิตมันไปอยู่หรือถูกครอบงำด้วยความอยากเนี่ย มันไม่อยู่กับปัจจุบันแล้วจิตมันจะมีการเกรง็งจิตมันจะเพ่งละมันไม่ข่อนคลายอันนี้ก็เป็นเรื่องถ้ามันอันนี้ก็เป็นเรื่องที่นักปฏิบัติก็ต้องต้องหมั่นสังเกตใจิตใจของตัวแล้วก็รู้จักแก้อารมณ์ของตัวได้คำนี้ก็พูดกันเท่า น, นี้ก่อนนะกล่าวาพร้อมกัน